นาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ575 1้ิกษ้นําไปเพียง3โยน์สอพิสูจนาไปย่อนกว่า3โย 3. น์สาพิสูจนาไปก็ดีนํากลับก็ดีเพียงระยะ3โยต์สีพิสูจนาไปเพียงระยะ3โยต์ประสงค์จะพักอาศัยแล้วนําไปจากที่นั้น5้พิสูจได้ขนเจียมที่ถูกชิงไปคืนมาแล้วนําไปอีก6กพิสูจได้ขนเจียมที่สลัก ไปคืนมาแล้วนำไปอีกเจ็ดภิกษุใช้ให้ผู้อื่นช่วยนำไปแปดภิกษุนำคนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของไปเก้าภิกษุวิคนจริตสิบภิกษุต้นบัญญัติเอลกกะโรมะสิกขาบทที่หกจบ